ตอนฝันนั้นระหว่างที่เป็นไม้ในระยะปีแรกฉันเวียนเข้าแต่วัดวัดที่ไปฟังเทศก็คือวัดมกุฏขณะนั้นท่านสังฆราชจวนอุทถายีที่ถึงแก่มรณภาพทางอุบัติเหตุรถยนต์ที่ถนนสายบางนาตราดยังเป็นเจ้าคุณศาสนโสพลท่านเจ้าคุณเป็นเจ้าอาวาสท่านทราบจิตใจฉันดีว่าพร่ำแต่เสียใจที่มาอยู่คุ้มครองสามี เพราะในมือฉันมีเส้นมหาจักรและเส้นพระเกศสามารถคุ้มครองคนที่ร่วมเดินทางให้จากหนักเป็นเบาได้ถ้าฉันอยู่สามีก็คงไม่ตายทาั้งๆที่มีลางสังหรณ์ต่างๆมาเตือนก็ยังทิ้งสามีไปทุกครั้งที่ท่านเจ้าขุนท่านขึ้นธรร ม, มาติท่านจะมองตรงมาที่ผนังโบสถ์ซึ่งอยู่สุดห้องตรงกับธรร ม, มาทพอดีเพราะฉันจะยึดที่นั่งตรงนั้นเวลาฟังเทศจากท่านเป็นประจำ ทุกครั้งที่ท่านเห็นว่าฉันไปฟังท่านก็จะเทศให้รู้แจ้งแจ้งถึงกรรมของมนุษย์ที่เขาถึงที่ตายแล้วก็ต้องตายใครก็ช่วยไม่ได้เพราะถ้าไม่ถึงที่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็จะมาสับหลีกให้หนีพ้นไปได้เช่นคนเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งทีแรกคนที่ตายนั่งอยู่ตอนหลังแต่พอหยุดรถเข้าห้องน้ำก็เปลี่ยนไปนั่งตอนหน้าคู่กับคนขับ จนเกิดอุบัติเหตุก็มีอันต้องเป็นไปเป็นต้นนั่นก็เพราะคนที่นั่งอยู่เดิมเขายังไม่ถึงที่และคนที่ถึงที่ตายก็คือคนที่ไปขอเปลี่ยนที่นั่งแทนเป็นต้นฉันไปนั่งฟังท่านเจ้าคุนเทศทุกวันพระจนครบปีและทุกครั้งก็ต้องแวะไปเยี่ยมศกสามีที่บรรจุอยู่ที่สุสานวัดนี้และขอขมาที่ทอดทิ้งไปปล่อยให้สามีไปคนเดียวจนประสบอุบัติเหตุ มีอันต้องจากกันชั่วชีวิตและขอขามาอีกประการหนึ่งที่จิตของฉันเฝ้าห่วงใยขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่แล้วคิดแต่ว่าจะไปรถควาเสียชีวิตทั้งๆ ท, งที่หลวงพ่อพริง้งท่านสั่งกาชับไว้แล้วก็ละเลยเสียแต่ก็สายเสียแล้วฉันขอแต่ว่าชาติหน้าก็ขอให้เราได้พบกันแล้วอย่าได้จากกันแบบนี้อีกเลยการที่ฉันไปฝังเทศทุกวันพระ เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆทำให้จิตใจฉันค่อยๆดีขึ้นและไม่ลงโทษตัวเองต่อไปอีกแล้วหลังจากพระราชทานเพิ่งศพสามีแล้วฉันก็เริ่มทำการค้าเปิดบริษัทเอ็กซ์พอร์ตอิพอร์ตและมีบริษัทรับเป็นชิปปิง้งโดยมีคนงานหลายสิบคนอยู่ในบังคับบัญชาซึ่งตอนนั้นอายุได้32ปีเท่านั้นการค้าดำเนินไปได้ดีเกินคาดเงินไหลามาเทมา โดยได้มาจากการขอโคตาการส่งข้าวออกจากรัฐบาลตอนนั้นคุณจุดๆุดจุ ด, จดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และสมัยนั้นใช้ชื่อว่ากระทรวงเศรษฐการฉันเข้าพบรัฐมนตรีเพื่อขอโคตาได้ครั้งละเป็นหมื่นๆืนนตันร้านข้าวต่างๆก็ต้องมาขอปันโคตาจากบริษัทและให้ค่าซื้อโคตาเป็นจำนวนหน้าพอใจทุกคราวจนบริษัทฉันไม่ได้ส่งข้าวออกเอง เพียงแต่ขายโคต้าก็เสร็จแล้วซึ่งแม้รายได้จะน้อยกว่าส่งเองแต่ก็ได้รับเงินรวดเร็วดีมากไม่ต้องผ่านพิธีรีตองอะไรนะักเหมือนส่งเองในระยะนั้นคนมาติดต่อมากมายและมีคนหนึ่งเล่าว่ามีคนทรงคนหนึ่งชื่อป้าอุ้มเป็นนางสาวเจ้าพ่อหลักเมืองเลือกเป็นล่างทรงของท่านเวลาท่านมาประทับทรงจะพูดแม่นมาก เขาออกปากชวนฉันก็อยากจะลองดูแต่ใจไม่เคยเชื่อเรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยฉันยังจำได้วันที่นัดกันไปเป็นวันพฤหัสบ้านปะอืมอยู่ในซอยเล็กๆข้างถนนเพชรบุรีเก่ารถเข้าไม่ได้ต้องเดินข้ามสะพานตรงเข้าไปประมาณร้อยกว่าเมตรก็จะเห็นบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังเล็กๆอยู่ทางซ้ายมือเมื่อไปถึงใจฉันก็อยากจะลองความขลังว่าจะจริงหรือไม่ ก็จุดธูปแล้วก็ถามเงียบๆในทูปถึงเรื่องการงานและเรื่องที่ดินของฉันที่ยังว่างอยู่ว่าจะขายดีหรือปลูกบ้านให้เช่าดีเมื่อเข้าไปนั่งข้างบนฉันเห็นผู้หญิงรูปร่างอ้วนขาวแต่งตัวสีแดงทั้งตัวนั่งอยู่ตรงหน้าที่บูชามีเสาหลักเมืองปิดทองจำลองตั้งบูชาอยู่คนคนนี้คือคนทรงกินหมากปากแดงสูบบุหรี่ตะพานโพตัวใหญ่ พ่นควันปุ๋ยปุ๋ยคนทรงจะหันไปพูดไปทํานายไปทํานายกับคนนั้นคนนี้ที่นั่งรายล้อมอยู่แล้วแต่เจ้าพ่อจะสั่งฉันกําลังนั่งดูเพลินๆก็หันมาหาแล้วบอกว่ามึงนี่ไม่ดีถ้ามึงไม่ทิ้งผัวไปผัวมึงก็ไม่ตายดวงของมึงคุ้มครองเคราะของผัวมึงได้ทําไมมึงไม่ทําฉันสะดุ้งสุดตัวเพราะเสียงที่คนทรงพูดดังมากเหลือเกินมิทันไรก็พูดอีกว่า มึงจะได้ลูกผู้ชายนะในไม่ช้านี้ถึงตอนนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่กำลังจะเลื่อมใสก็เกิดอาการแคลงใจทันทีก็หัวเราะในใจว่าโดนเจ้าเกยหลอกเอาเสียแล้วมีอย่างที่ไหนสามีก็ไม่มีแล้วแล้วฉันจะมีลูกได้อย่างไรกันทันทีที่นึกอย่างนี้ฉันก็ต้องตกใจสุดขีดอีกครั้งเมื่อร่างทรงลุกขึ้นยืนกระทืบเท้าแล้วชี้มือมาอยัางฉันพลางเอตตารว่า เอ็งอย่ามาหัวเราะเยอะข้านะนอกจากทำนายเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นที่ถามในทูบก็ตอบมาหมดเรื่องที่ดินที่ว่างเหลืออยู่ก็บอกให้เก็บไว้ปลูกบ้านไม่ให้ขายภายภาคหน้าบ้านหลังนี้จะพาให้พบโชคดีด้วยฉันซึ่งเป็นคนจิตแข็งและไม่เคยเชื่อเรื่องทำนองนี้มาก่อนกลับต้องเชื่ออย่างช่วยไม่ได้จริงๆเพราะสิ่งที่ท่านพูดถึงเป็นเรื่องที่ฉันพร่ำแต่เสียใจมาตลอดเวลามิลืม แล้วถ้าไม่ใช่เจ้าพ่อทำไมถึงจะรู้ซึงถึงเรื่องในจิตใจฉันได้ระยะเวลาที่ฉันคลองตัวเป็นไม้อยู่ได้มีคนดีๆมาติดพันมากมายจนเลือกไม่ไหวฉันก็ตั้งปณิธานไว้ในใจว่าจะมีชีวิตอยู่กับลูกและงานตลอดไปเรามีพร้อมทุกอย่างบ้านให้ฝรั่งเช่าก็หลายหลังรายได้จากบริษัทก็เหลือใช้มีความสุขทุกอย่างเรื่องอะไรจะหาห่วงมาผูกคอ ทั้งฉันก็มีลูกซึ่งกำลังเป็นสาวขึ้นมาแล้วถ้าได้พ่อเลี้ยงที่ดีมีคุณธรรมก็บุญไปถ้าไปได้คนที่จะมาคิดเทครัวและเห็นแก่ฐานะของเราฉันก็คงตรอมใจตายเป็นแน่ด้วยเหตุนี้แม้ผู้ที่ชอบฉันจะมีทั้งทูตข้าราชการพอา่อค้าตำรวจทหารแม้แต่รัฐมนตรีที่ภาคเพียรกันมาฉันก็ให้การต้อนรับดีเสมอกันทุกคน ในระยะที่ลูกสาวอยู่ต่างประเทศฉันก็ไปเยี่ยมลูกทุกปีและไม่ให้ความสนใจชายใดเป็นพิเศษเลยสักคนล่วงเข้าปีที่สี่ของการเป็นไม้ฉันกำลังปลูกตึกหลังใหม่ที่ถนนเอกมัยสมัยก่อนยังเป็นถนนลูกลังฉันต้องไปเช่าบ้านไม้สีเหลืองของบิดาคุณพิชัยรัตกุลอยู่ซึ่งอยู่ซอยเดียวกันกับบ้านที่กำลังสร้างเพื่อสะดวกในการไปดูคุมการก่อสร้างบ้านหลังใหม่นี้ คืนวันหนึ่งเพื่อนที่ชื่อการดาซึ่งกำลังเป็นไม้เหมือนกันมานอนค้างที่บ้านคืนนั้นตอนเช้ามืดฉันฝันเห็นตัวเองกำลังจูงมือกับผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มือขวาจับมือกับชายคนนั้นมือซ้ายกำดอกหญ้ากำลังเดินขึ้นเนินดินหรือภูเขาเตียเต้ยๆในฝันเห็นแต่หลังตัวเองกับชายคนนั้นฉันได้ถามคนที่มาร่วมในพิธีที่นั่งบ้างยืนบ้างอยู่บนสนามว่า กำลังทำอะไรเขาตอบว่าฉันกำลังแต่งงานกับสามีของคนคนหนึ่งมีชื่อบอกด้วยแล้วฉันก็ตกใจตื่นพอลืมตาขึ้นมาก็บ่นกับตัวเองว่าฝันอะไรแปลกจังกาดาเขาตื่นแล้วแต่ยังนอนอยู่ก็หันมาถามว่าฝันว่ายังไงพอเล่าให้ฟังเขาก็ร้องอุทานออกมาทันทีว่าคนที่ฝันน่ะมีจริงๆนะยังเคยพบกับเขาแล้วด้วยแล้วตอนนี้ เมียเขาเพิ่งตายหยกๆด้วยฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าเป็นเรื่องจริงคนที่ฝันถึงนั้นมีตัวตนจริงๆซึ่งฉันไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เลยว่าคนคนนี้จะมีอยู่ในโลกนี่มันอะไรกันทั้งๆที่ฉันไม่เคยมีคนคนนี้อยู่ในจิตใจมา ก, ก่อนจะเรียกว่าฉันกับเขาอยู่กันคนละโลกก็ว่าได้แต่เหตุไฉ น, นถึงไปฝันแต่งงานกับเขาเป็นตุเป็นตะเช้า ว, วันนั้น ฉันมีนัดกับคุณหญิงของท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จะไปธุระด้วยกันก็นเลยสลัดความฝันนั้นทิ้งแล้วลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเดินทางไปพบคุณหญิงตามนัดลืม เ, เรื่องฝันนี้สนิทและไม่เคยนึกถึงอีกเลยเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนเศษวันหนึ่งตอนเย็นกลับจากบริษัทอย่างไม่ทันอาบน้ำก็มีคนคนหนึ่งชื่อคุณภัยบูรณ์มาหาขอร้องให้ฉันวิ่งเต้นในการค้าอย่างหนึ่งให้ ฉันก็รับปากจะช่วยลองเจราจากับท่านรัฐมนตรีดูตอนหนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้นว่าคุณเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเซนโยเซฟหรือเปล่าฉันก็บอกว่าเป็นเขาก็ถามว่าถ้างั้นคุณคงรู้จักอจุด ๆ, ๆสิครับเขาเอ่ยชื่อภรรยาของคนที่ฉันเคยฝันถึงฉันบอกว่าเคยได้ยินชื่อแต่เป็นรุ่นใหญ่กว่าคุณมีอะไรหรือคุณพัยบูลก็บอกว่า อาจุดๆเสียแล้วครับจะเผาเดือนกรกฎาคมนี้แล้วฉันก็บอกว่าฉันรู้จักเขาน้อยมากห่างกันเหลือเกินทั้งไม่รู้จักกับใครที่เหลืออยู่ในขบวนญาติเลยต่อมาคุณไพยบูลก็แนะนำให้รู้จักกับสามีของอาเขาชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีนุ่งกางเกงแพรสีดำใส่เสื้อเชิ้ต ป, ปล่อยชายสีขาวในลักษณะไว้ทุกขให้ภรรยา ได้ทราบจากคุณไพบูลตอนแนะนําว่าชื่อคุณกฤิตพร้อมกันนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปงานเผาศพภรรยาเขาด้วยฉันลืมวันงานที่ได้รับเชิญนี้ไปเสียสนิทเพราะงานที่บริษัทยุ่งมากมีแขกมาเกือบตลอดทั้งวันบางวันก็ต้องไปติดต่อกับกระทรวงบางวันก็ต้องไปรับคุณหญิงไปช็อปปิ้งไปไหนๆจนเช้าวันงานคุณไพบูล์ก็โทรศัพท์ไปที่บริษัทเตือนว่าอย่าลืมไปงานเผาศพภรรยาคุณกฤิต โดยคุณไพบูลจะรอรับที่ทางเข้าฉันรีบกลับบ้านแต่งชุดดำไปถึงวัดมกุดใกล้เวลาเผาเต็มทีแล้วคุณไพบูล ร, รอรับอยู่จริงๆพร้อมทั้งคุณกรตก็ยืนอยู่ด้วยทั้งสองพาไปนั่งที่ศาลาตั้งแต่พาไปนั่งจนถึงเวลาเผาคุณกริตอยู่คุยกับฉันตลอดเวลาไม่ได้ลุกไปไหนเลยเมื่อเผาแล้วกลับลงมาฉันจะลากลับก็ถูกขอร้องให้อยู่คุยกันก่อน ตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณไพบูนหายตัวไปไหนขณะที่คุณกริบนั่งอยู่กับฉันได้มีญาติมาบอกว่าแค่คนนั้นคนนี้จะกลับแล้วแทนที่คุณกริบจะลุกไปส่งแกกลับบอกให้ญาติเป็นผู้ไปส่งแทนแกนั่งอยู่กับฉันจนฉันนึกอายที่คใครๆพากันมองเลยพยายามขอตัวลากลับคุณกริบได้เดินมาส่งถึงรถที่จอดอยู่พร้อมทั้งพูดว่า ผมขออนุญาตไปเยี่ยมที่บ้านบ้างนะครับในโอกาสหน้าฉันสกิดใจในความสนใจของคุณกริในวันนี้เป็นอันมากแต่ก็ได้ตอบไปว่าเชิญค่ะถ้าว่างต่อมาไม่นานตอนเย็นวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันหยุดก็เลยนัดเพื่อนสนิทสองสามคนมาเล่นไพ่กันเราสี่คนนอนคว่มเอาหมอนรองอกรวมวงเล่นไพ่กันอยู่อย่างเพลิดเพลินก็จริงอยู่ แต่ใจฉันดูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมีอะไรบางอย่างที่เคยบอกฉันมาพูดว่าเดี๋ยวจะมีคนสำคัญสำหรับชีวิตเรามาหาเขากำลังมาแล้วลุกขึ้นสิลุกขึ้นไปแต่งตัวให้เรียบร้อยตอนนั้นฉันจําได้ว่านุ่งกางเกงแพรใส่เสื้อหลวมๆตัวเดียวเสื้อไหนก็ไม่ได้ใส่ฉันยังดื้อนอนเล่นไพ่ต่อไปไม่ลุกขึ้นแต่ในใจก็คิดว่า ใครนะจะมาเป็นคนสําคัญของชีวิตเราได้ขนาดรัฐมนตรีฉันก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ลุกละใครจะมาก็มาสิทันใดนั้นได้ยินเสียงแตรรถกดเรียกอยู่ที่หน้าประตูใหญ่พวกเราซึ่งกําลังนอนเล่นไพ่กันอยู่บนพื้นในห้องรับแขกแต่ค่อนไปทางประตูที่เปิดไปสู่ระเบียงและสามารถมองเห็นประตูใหญ่ได้อย่างถนัดพอคนใช้ไปเปิดประตูก็เห็นรถสีเทาแก่ ดีออะไรฉันลืมไปแล้วแล่นช้าๆเข้ามาข้างหน้ารถมีผู้ชายนั่งกันมาสองคนเพราะเห็นอย่างนั้นพวกเราสี่คนรีบลุกขึ้นพรวดพลาดเก็บสัมภาระกันชุลมุนฉันรีบวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อใหม่เมื่อเดินออกมาก็พบคุณไพบูลขึ้นมานั่งข้างบนเรียบร้อยแล้วและผู้ที่นั่งหันหลังให้ฉันโดยหันหน้าสู่สนามนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคุณกริตนั่นเอง ทั้งสองคนหันมาทักทายพร้อมกันนั้นคุณกริตก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะครับที่มาปุบปับไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ทราบว่าลบกวนเวลาหรือเปล่าฉันก็ตอบไปตามจริงว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะวันนี้วันหยุดขี้เกียจไปไหนก็เลยชวนเพื่อนมาเล่นไพ่ตองกันคุณกริตทำท่าชะงักคล้ายกับมาขัดความสาราญแต่ฉันรีบบอกว่า ไม่เป็นไรเราก็ใกล้จะเลิกเล่นกันอยู่แล้วเชิญตามสบายแล้วฉันก็เรียกเด็กให้ยกชามแก้วใส่ลาไยพร้อมจานแบ่งออกมาเลี้ยงคุณไพบุ์ก็หยิบลําไยปอกกินเองบอกว่าลาไยหวานกรอบดีมากเอ้าคุณกริตกินสิคุณกริตกลับหันมาทางฉันแล้วพูดว่าผมไม่เคยปอกผลไม้ทานเองเลยทำไงดีล่ะครับพูดพลางก็มองหน้าฉันพร้อมยิ้มซื่อ คิดจะเรียกเด็กมาปอกให้แต่ครั้นแล้วไม่รู้เพราะเหตุไรฉันกลับเป็นผู้หยิบลำไ ย, ยมาปอกใส่จานแบ่งของคุณกฤิตให้เสียเองซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนที่สามคือคุณพ่อฉันสามีที่เสียและเขาคุณกฤิตที่ฉันปอกผลไม้ให้กินคุณกฤิตใช้ซ่อมจิ้มลำไ ย, ยส่งเข้าปากกินหน้าตาเฉยแต่ในตาคู่นั้น มีได้ละไปจากหน้าของฉันเลยฉันชักเขินและใจก็เต้นแรงรู้สึกอายขึ้นมาเฉยๆฉันเห็นว่าบอกให้หลายลูกแล้วก็เลยเสยขอตัวไปล้างมือเพื่อจะหนีสายตาคู่นั้นสักชั่วคราวกลับออกมาก็ได้ยินคุณภัยบูลพูดขึ้นว่าเราสองคนกำลังปรึกษากันว่าจะชวนคุณไปหาหมอดูคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งทน เป็นคนจีนดูแม่นมากพูดกับคนตายก็ได้ฉันสนใจขึ้นมาทันทีนึกอยากจะพบสามีที่เสียไปว่าจะอยู่สุขสบายเป็นอย่างไรบ้างก็เลยบอกว่าน่าสนใจนะคะจะไปเมื่อไหร่คุณกิจก็บอกว่าไปวันนี้เลยครับเพราะคุณก็ว่างผมก็ว่างกันพอดีถ้าหาวันอื่นเกรงว่าจะไม่สะดวกฉันก็เลยตัดสินใจและรีบเข้าไปแต่งตัว โดยไม่ลืมสั่งคนรถให้เอารถออกไปส่งเพื่อนๆสามคนนั้นด้วยเราไปกันสามคนฉันนั่งข้างหลังคนเดียวจำทางไม่ได้เลยว่าไปยังไงไมายังไงมั่วแต่คุยกันเพลินแต่เมื่อรถจอดจำได้ว่าเป็นถนนขูดขระกำลังทําถนนใหญ่ที่ที่หมอดูอยู่เป็นตึกแถวสร้างใหม่เมื่อเข้าไปข้างในรู้สึกแปลกตาการแต่งสถานที่ทําคล้ายเราจะไปเฝ้าเจ้านายชั้นสูง กล่าวคือมีพรมสีแดงปูที่พื้นตรงหน้ามีเก้าอี้พิเศษลวดลายเป็นทองทั้งตัวมีผ้าปักดิ้นคลุมไว้สูงขึ้นไปชั้นบนมีทูบจุดอยู่หน้าที่บูชามีรูปปั้นหน้าตาแปลกๆตั้งอยู่ลดหล่นกันมองกลับลงมาบนพรมสองข้างมีเก้าอี้นวมวางข้างละสองตัวคุณไพบูนชี้ให้ฉันนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งกับคุณกลต ตัวเขาเองเดินไปกดกลิ่งแล้วก็กลับมานั่งคอยสักครู่ก็มีคนจีนคนหนึ่งนุ่งขาวใส่ขาวเดินออกมาแล้วผ่านเราไปยกผ้าปักที่คลุมเก้าอี้ปิดทองที่นั่งอยู่ตรงกลางนั้นออกพับแต่เขาไม่ได้นั่งเองถอยกลับมานั่งเก้าอี้ข้างๆแบบเราคุณไพบุ์ก็แนะนาว่านี่คือหมอแว่นฟ้าคุณไพบุญขอตัวไม่ดูคุณกริบจะดูแต่ให้ฉันดูก่อน ความรู้สึกเหมือนฉันหลงเข้าไปในโลกที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อคุณกริดลุกออกไปนั่งอีกห้องหนึ่งโดยมารยาทปล่อยให้ชั้นอยู่ตามลำพังกับหมอแว่นฟ้าหมอคนนี้ดูแปลกมากดูโงเ่เฮงบอกโงเ่เฮงชั้นดีมากได้ส่วนดีนี่กำลังพบเนื้อคู่แล้วเป็นพ่อไม้เป็นข้าราชการในเครื่องแบบเป็นคนดีซื่อตรงจิตใจดีฐานะดีความรู้ก็ดี ฉันก็อดขันไม่ได้ว่าคนอะไรที่ไหนทำไมไม่มีส่วนเสียบ้างเลยจะเป็นไปได้อย่างไรฉันบอกหมอว่ามาวันนี้ไม่ได้จะมาดูเรื่องคู่อยากจะพบสามีที่ตายไปแล้วชื่อนั้นๆอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนสุขสบายดีหรืออยู่ยากเข็นอย่างไรฉันทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่หมอก็พูดแปลกมากบอกว่าเขาเป็นคนดีนะแต่มีกรรมเก่าที่ต้องใช้นี่ เขาตายแบบนี้มาหกชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ต้องรับกรรมเก่าและหมดกรรมแล้วเวลานี้อยู่ที่สวรรค์ชั้นจุลามณีบุญที่ทำไปให้ได้รับทุกคราวและทำให้โทษเบาลงเวลานี้สบายดีแล้วแต่ไม่ค่อยจะมีกินเพราะเวลาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญตักบาดเลยนอกจากวันเกิดตอนหนุ่มๆก็อยู่เมืองนอกเสียหลายปี หมอได้บอกให้ฉันตักบาดไปให้สามีที่ตายไปแล้วจะได้ไม่อดแล้วก็หันมาพูดเรื่องคู่อีกบอกว่าถึงกำหนดจะต้องมีคู่ใหม่แล้วนี้อย่างไรก็ไม่พ้นสิ่งที่น่าพิศวงคือหมอบอกว่าเมื่อคืนนี้วิญญาณของเมียเขามาแต่งตัวข่าวทั้งชุดมาขอให้ช่วยสามีเขาได้ผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงคนนั้นจะมาหาหมอวันนี้ด้วยแล้วหมอก็บอกว่า คุณนั่นแหละเป็นผู้หญิงคนนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยตอนแรกยังนึกโกรธสองคนนั้นว่านี่จะมาแอบกระซิบอะไรให้หมอล่วงหน้าเป็นแน่ไม่งั้นจะมาพูดเจาะจงกับฉันอย่างนี้หรือแต่อีกใจหนึ่งก็หวนไปคิดถึงความฝันที่เคยฝันก่อนได้พบเขาก็แล้วนั่นมันหมายความว่ายังไงกันล่ะนี่อีกอย่างหนึ่งหมอได้ให้ฉันแบมือทั้งสองข้างแล้วขอดูฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วทานายว่า มีไฝที่ไหนที่ไหนถูกต้องหมดแล้วยิ่งกว่านั้นยังพูดอีกว่าที่หูน่ะเคยมีติ่งอยู่สองเม็ดไปตัดออกทำไมเป็นความจริงที่ว่าดิฉันมีติ่งทั้งสองข้างข้างขวาเหมือนมีลูกอัุฑะสองเม็ดข้างซ้ายมีนิดเดียวนี่ถ้าไม่ตัดนะป่านนี้หรือสบายเป็นมหาเศรษฐีแต่นี่เพราะยังเก็บไว้ข้างหนึ่งถึงได้สบายแค่นี้ การทำนายของหมอแว่นฟ้าคนนี้ทำให้ฉันต้องเชื่อแต่ก็ทำให้จิตใจว้าวุ่นบอกไม่ถูกตั้งคำถามให้ตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าว่านี่มันจะเป็นเรื่องจริงหรือนี่นี่มันอะไรกันทำไมหลายๆอย่างมันจึงมาประดังโดยบังเอิญแต่ก็มุ่งลงสู่จุดเดียวนั่นคือฉันจะต้องแต่งงานใหม่กับคนที่ฝันถึงก่อนหน้ามานานแล้วเมื่อฉันดูแล้วคุณกรีก็เข้าไปดู โดยฉันออกมานั่งคุยกับคุณไพบูลสักพักใหญ่ก็พากันกลับระหว่างทางฉันนึกถึงทางออกได้วิธีหนึ่งคือมีหมอดูประจำอยู่คนหนึ่งชื่ออาจารย์เทอมบ้านแกอยู่ซอยไปดีมาดีสุขุมวิทก็เลยบอกสองคนนั้นว่าฉันมาดูหมอของเขาแล้วทีนี้ฉันมีหมอที่เก่งอยู่อีกคนอยากจะให้ไปดูกันเอาไหมทั้งคุณกริคุณไพบูลตกลงก็เลยนัดกันว่า คราวหน้าเอารถยนต์ฉันไปดีกว่ามีคนขับฉันจะเป็นฝ่ายไปรับเขาสองคนที่บ้านคุณกฤิตตอนสี่โมงเย็นวันเสาร์โดยจะไปพบอาจารย์เทิมที่ศาลาฉันลืมชื่อศาลาเสียแล้วในสวนลุมพินีวันเสาร์ฉันไปรับสองคนนั้นและพาไปสวนลุมพินีอาจารย์เทิมไปนั่งรออยู่ก่อนแล้วคุณกฤิตเป็นคนดูก่อนคำทำนายของอาจารย์เทอมนี่ ถ้าฉันไม่ได้ยินกับหูแล้วคุณกริตมาเล่าให้ฟังคงไม่เชื่ออย่างแน่ๆ แ, แต่มันช่างอัศจรรย์จริงๆอาจารย์เทิมบอกว่าคุณกริตกำลังได้พบเนื้อคู่คนนี้เทวดาส่งมาให้ฉันได้ยินคุณกริตตอบหมอว่าผมก็อยากได้เหมือนกันอาจารย์เทิมบอกคุณกริตอีกว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากจิตใจดีเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมด้วยคุณต้องแต่งงานแน่ไม่เกินปีใหม่นี้ ฉันยังจําได้ถึงสีหน้าของคุณกฤิตที่หันมามองที่ฉันแล้วยิ้มอย่างดีใจถามฉันว่าคุณว่าผมควรจะแต่งงานใหม่ไหมครับฉันก็ตอบไปว่าแล้วแต่ใจคุณสิคะหมอดูอยู่คู่กับหมอดาวใช่ไหมคะคุณกฤิตตอนที่ฉันพูดนี้ฉันตัดตัวเองออกนอกทางไปแล้วและได้ให้คํามั่นกับตัวเองแล้วด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่มีวันทําให้ฉันเปลี่ยนใจแต่งงานใหม่เป็นอันขาด จบอีพีที่2ฉบับปรับปรุงนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติอ p พี EP ที่18ผลงานของอรสานนท์วันนี้เสนอตอนวัดพระธรรมกายข้าวันหนึ่งประมาณ3ปีมาแล้วขณะฉันนั่งบนโซฟาและนั่งพิงหมอนปล่อยให้สมองว่างเปล่ามีได้นั่งสมาธิ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ไปที่ที่หนึ่งซึ่งฉันไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนและไม่เคยไปมาก่อนด้วยในนิมิตนั้นเห็นเป็นที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นที่ว่างก็ปลูกหญ้าไว้เขียวขจีบางที่ก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดโตบ้างเล็กบ้างมีคูน้ำใสมีสะพานข้ามไปที่หนึ่งคล้ายศาลา ถัดมาทางขวาก็เป็นถนนสีขาวคล้ายถนนคอนกรีตปลายถนนมีอาคารปลูกไว้งดงามคล้ายกับจะเป็นโบสถ์แต่ปลูกไม่เหมือนโบสถ์เพราะแบบแปลกมากฉันไปยืนอยู่หน้าอาคารหลังนี้ในลักษณะแปลกคือลอยขึ้นลอยลงพอเท้าแตะพื้นก็กระดอนขึ้นไปอีกกระดอนขึ้นไปจนสูงมองเห็นหลังคาอาคารนี้เหมือนไม่ได้ปลูกกระเบื้องคือมองเห็นเรียบราบไปหมด แต่เป็นสีชามัวหรือสีเทาอมน้ำเงินพอเห็นหลังคาปุ๊บก็รู้สึกตัวว่าได้เข้าไปในตัวอาคารและได้เห็นแท่นตรงกับทางเข้าด้านหน้าได้เห็นแท่นตั้งที่บูชาพระพุทธรูปขนาดตัวคนจริงๆสีทองตั้งอยู่องค์เดียวที่บูชาก็มีพุ่มสองพุ่มซ้ายขวาแต่ไม่มีกระถางทูปซึ่งแปลกมากเพราะธรรมดาถ้ามีพระบูชาก็ต้องมีกระถางสาหรับปักทูบ แต่นี่ไม่มีเมื่อฉันเห็นดังนั้นก็กลับออกมายืนดูบริเวณซึ่งกว้างขวางมากและเห็นศาลาใหญ่อีกหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางขวาสุดมีความรู้สึกว่าลมพัดโ ช, ชยมาเย็นสบายสงบเงียบปราศจากผู้คนแล้วฉันก็กลับมาอย่างที่โซฟาตัวเดิมฉันถามจิตว่านั่นเป็นที่ไหนเสียงตอบว่านั่นคือวัดพระธรรมกาย เกิดความรู้สึกแปลกใจมากว่าเราไปมาได้ยังไงทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งลืมตาอยู่ทันทีก็ได้หมุนโทรศัพท์ไปหาเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อคุณวิไลปัทุมานนท์ซึ่งเธอเป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้มานานพอสมควรฉันโทรศัพท์ไปหาคุณวิไลก็มารับสายฉันก็บอกว่าน้องพี่จะถามอะไรน้องหน่อยเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่น้องอย่าเพิ่งบอกพี่นะให้พี่บอกน้องก่อน แล้วค่อยบอกว่าตรงกับความจริงหรือไม่เธอก็รับคําและพอฉันเล่าจบเธอก็ร้องบอกมาว่าตายตายพี่คะพี่ไปมาจริงๆทุกอย่างถูกหมดและที่บูชานั้นก็มีได้จุดทูบจริงๆไม่มีกระถางทูบตั้งจริงๆอย่างที่พี่เห็นน้องว่าพี่จะต้องไปนมัสการวัดพระธรรมกายเสียแล้วที่พี่เห็นนี้ก็เท่ากับบอกให้พี่ไปนมัสการหลวงพ่อวัดปากน้ํา วัดพระธรรมกายนี่สร้างขึ้นโดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำนะพี่ฉันฟังแล้วก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าไปมาได้ยังไงไปเห็นมาเป็นตุเป็นตะในที่สุดฉันก็ชวนพี่สาวกับหลานสาวซึ่งนับถือกันไปทำบุญที่วัดนี้โดยให้น้องสาวคนสุดท้องขับรถไปซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่คลองสามจังหวัดปทุมธานีเราได้นำอาหารคาวหวานไปถวายเพลด้วย ฉันได้ไปนั่งถวายของที่ศาลาใหญ่ตามที่ได้นิมิตไว้พอมองไปรอบๆกายเห็นของจริงที่ได้เห็นมาตั้งแต่ในนิมิตแล้วถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปิติและเห็นศาลากลางน้ำที่แขวนระคังถ้าจำไม่ผิดโดยมีสะพานข้ามไปดังที่เห็นมาก่อนแล้วในนิมิตและเมื่อเสร็จจากถวายเพลแล้วได้แวะไปดูโบสถ์และเข้าไปกราบพระประธานและเห็นองค์พระเห็นพุ่มซ้ายขวา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหน้าที่บูชาไม่มีกระถางทูบฉันตะลึงดูด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งแน่ใจว่าเราได้มาจริงๆรมิได้อุ ป, ปทานไปทาให้เชื่อตัวเองขึ้นมาอีกหน่อยที่พูดอย่างนี้เพราะตลอดเวลาพยายามจะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือได้ยินก่อนเสมอวันนั้นได้กราบบูชาพระประธานและรูปหลวงพ่อวัดปากน้าและได้อธิษฐานในใจว่า ถ้ามีบุญบรารมีพอก็จะพยายามนั่งสมาธิและท่องสัมมาอารหังเพื่อให้แลเห็นดวงแก้วและดวงปฐมมรรคซึ่งตั้งอยู่กลางตัวเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วให้จงได้ในวันหนึ่งข้างหน้านี้เอาละครับ EP นี้ก็มีเนื้อหาเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่19เเป็น EP ถัดไปสวัสดีนะครับหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติ ผลงานของอระสานน EP ที่19ตอนช่วยพ่อขาเรื่องมีอยู่ว่ามีบริษัทส่วนบุคคลคือมีเจ้าของคนเดียวอยู่บริษัทหนึ่งตัวผู้จัดการหรือเจ้าของได้มาหาฉันให้ช่วยจัดเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเป็น 10-10 ิ10ล้านให้เขาทีเขาโดนมรสุมอย่างหนักถ้าไม่ได้เงินจำนวนนี้เขามีอันต้องล้มละลายแน่ๆลูกเมียก็จะพากันลาบาก ที่ก็จะไม่มีอยู่เพราะเอาบ้านไปฝากขายเอกชนเอาไว้โดยเอาเงินมาทุ่มในกิจการเสียแทบหมดตัวรถยนต์ก็จะต้องถูกยึดลูกๆ ก, ก็ยังเล็กๆฉันได้ฟังก็รู้สึกสงสารและเห็นใจมากตั้งใจที่จะช่วยและก็เป็นการบังเอิญเหลือเกินพอหลังจากพ่อค้าคนนี้กลับไปฉันยังไม่ทันได้ติดต่อกับคนของฉันก็มีโทรศัพท์มาจากคุณประพิษ คุณประพิษติดต่อมาเพื่อเสนอเงินจำนวนหนึ่งว่ามีนายทุนอยากจะให้กู้ฉันก็เลยยกให้เป็นหน้าที่ของคุณประพิษจัดการให้การติดต่อเป็นไปด้วยดีมาตลอดอาทิตย์จนกระทั่งฉันได้พูดโทรศัพท์รับรองกับนายธนาคารแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลาสิบโมงเช้าจะนาเงินไปเข้าฉันวางใจคุณประพิษเต็มที่ เพราะยังมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอีกคนหนึ่งซึ่งได้มาหาชั้นที่บ้านและออกปากรับรองเป็นอย่างดีอีกด้วยแต่จูจ่ๆวันศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นคุณประพิษกับโทรศัพท์มาแจ้งข่าวร้ายว่ามีเหตุขัดข้องกระทันหันทำให้จัดเงินตามที่พูดให้ไม่ได้เสียแล้วไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเพราะวันศุกร์ก็เป็นวันสุดสัปดาห์หมดเวลาที่จะติดต่อกับผู้ใดทั้งสิน้น ฉันได้รับรู้ด้วยความโกรธและผิดหวังอย่างยิ่งที่โกรธนั้นโกรธตัวฉันเองที่ไม่ทำเองทั้งๆ ท, ท, ที่ทำได้ไปมัวเสียเวลาหลงเชื่อคนอื่นเพิ่งจะเห็นจริงตามสุภาษิตโบราณว่าอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจถ้าเขาปิดจมูกเขาเมื่อไหร่เราก็ต้องขาดใจตายฉันอยู่ในห้องนอนที่เปิดแอร์เย็นเฉียบแต่คาพูดกลับคาของคุณประพิษ ทำให้ฉันเหงื่อแตกด้วยความวิตกกังวลสงสารคนที่รอรับความช่วยเหลือจากฉันด้วยความหวังมาตลอดอาทิตย์แต่แล้วฉันจะต้องกลายเป็นคนทำลายความหวังของเขาให้มีอันต้องล้มละลายไปโดยคาดไม่ถึงฉันนอนร้อนใจอยู่บนเตียงคิดกลุ้มใจว่าจะทำอย่างไรดีไหนจะผิดคำพูดกับนายธนาคารคนนั้น ไหนจะต้องเห็นการล้มละลายที่จะเกิดขึ้นกับพ่อค้าผู้น่าสงสารครอบครัวนั้นขณะที่ฉันกำลังคุ้นคิดหาทางออกให้เขาคนนั้นอยู่พรันก็ได้ยินเสียงบอกที่หูว่าอย่านอนหลับอยู่เลยลุกขึ้นโทรศัพท์ไปหาคุณสมที่บริษัทชื่อนี้เดี๋ยวนี้แล้วจะได้เงินฉันก็เถียงว่าไม่ได้คุณสมเขาไม่ให้ธนาคารนี้เพราะเคยคุยกันแล้ว เสียงก็ตอบอีกว่ารีบโทรไปเดี๋ยวนี้คราวนี้เขาจะให้เร็วๆ เ, เข้าเขาก็กำลังถือกระเป๋าจะไปขึ้นรถกลับแล้วเร็วๆ เ, เข้าลุกขึ้นสิฉันก็คิดว่าเอลองเชื่อดูสักทีสิอาจจะเป็นผลดีก็ได้แต่ในใจฉันนั้นแน่ใจเหลือเกินว่าจะต้องผิดหวังแต่ก็รีบลุกขึ้นไปต่อโทรศัพท์ถึงคุณสมที่บริษัท คอยครู่เดียวคุณสมก็มารับสายฉันพูดไปว่าขอโทษนะคุณสมป้าขอรบกวนหน่อยนี่จะกลับบ้านหรือยังเสียงคุณสมตอบมาทำให้ฉันมีกําลังใจว่าผมกําลังหิ้วกระเป๋าจะไปขับรถอยู่แล้วครับคุณป้ามีอะไรหรือฉันก็อธิบายเรื่องราวและบอกชื่อธนาคารที่จะขอเอาเงินเข้าคราวนี้ก็เกิดอัศจรรย์แทนที่จะได้รับคาตอบปฏิเสธ กลับได้ยินเสียงคุณสมถามว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่พอฉันบอกอัตราดอกเบี้ยคุณสมก็ตอบตกลงทันทีทำให้ฉันตกตะลึงไปชั่วครู่แล้วเราก็เลยนัดวันเวลาเอาเงินไปเข้าให้พ่อค้าคนนั้นโดยทางธนาคารได้ออกหลักฐานรับเงินเป็นที่เรียบร้อยในวันพุธต่อมาซึ่งผิดวันไปสองวันเท่านั้นในที่สุด ยานของฉันแท้ๆที่ได้ช่วยชีวิตครอบครัวของพ่อค้าคนนั้นให้รอดพ้นจากการล้มละลายเพียงชั่วเซี่ยวนาทีเท่านั้นในวันนั้นถ้าฉันขืนไม่เชื่อเสียงกระซิบฉันก็จะหมดโอกาสที่จะพบคุณสมไปเลยเพราะปรากฏว่าพอจัดการเรื่องนี้เสร็จคุณสมก็เดินทางไปต่างประเทศด้วยธุรกิจถึงหนึ่งเดือนเศษและถ้าเป็นดังนั้นก็เป็นอันว่า ความหวังของพ่อค้าคนนั้นต้องมีอันลม้มและจะกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือไปทันทีถ้าไม่ได้เสียงกระซิบนี้ป่านี้ครอบครัวนั้นอาจจะกำลังแหวกว่าอยู่ในนรกเพราะหมดตัวไปแล้วก็เป็นได้ส่วนตัวฉันเองก็ปล่อยปลื้มใจและมีความปิติที่ได้สร้างกุศลผ ล, ลบุญไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองและจะจดจาไว้จนตายว่า การยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นให้ผลแก่เราอย่างไรและได้ให้สัญญาไว้กับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเชื่อฟังเสียงกระซิบโดยไม่ลังเลอีกเลยจบ e ีีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตาม e ีีใหม่ได้ในเร็วนี้และกลับมาติดตามช่อง Book for Life ที่มีคลิปลงทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครั บ, รบนี่คือหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติ อีที่ยีผลงานของอร์สาโนนตอนบอกเหตุล่วงหน้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนซึ่งดุ ย, ยานของฉันจึงได้ช่วยชีวิตสามีเขาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องมีอยู่ว่าในบรรดาเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับฉันซึ่งมีอยู่หลายต่อหลายคนปกติแล้วฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องในครอบครัวของเพื่อนโดยไม่จำเป็นส่วนมากเราจะพบกันแล้วก็แยกกันไปนานๆก็มาพบกันทีอะไรแบบนี้ในบรรดาเพื่อนๆ น, นี้มีอยู่คนหนึ่งชื่อคุณประจงซึ่งเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมต้องไปวัดทุกวันพระและเป็นคนอยู่บ้านไม่ติดต้องหาเรื่องออกจากบ้านทุกวันเมื่อสามีไปทำงานพอเวลาใกล้สามีกลับ เธอถึงจะกลับมาเพื่อทำอาหารให้ครอบครัวทานเธอมีลูกโตๆแต่งงานไปหมดเหลืออีกสองคนก็ศึกษาอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นที่บ้านเธอจะไม่มีใครเลยนอกจากสามีแล้วก็มีหลานรุ่นรุ่นอีกคนกับคนใช้อีกคนหนึ่งซึ่งหลานก็ต้องไปโรงเรียนทุกวันถ้าเธอไม่อยู่ก็จะมีแต่เด็กคนใช้ซึ่งเป็นคนอีสานอยู่เฝ้าบ้านคนเดียว ตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่ฉันลงมาข้างล่างนั่งทางานอยู่ที่โต๊ะฉันกำลังร่างหนังสือสัญญาฉบับหนึ่งอยู่ก็เกิดมีเสียงบอกที่หูขวาว่านี่บอกเพื่อนคนที่ชื่อประจงทีว่าระหว่างอาทิตย์นี้อย่าไปไหนผัวเขาจะเจ็บกระทันหันตัวฉันเองขณะนั้นไม่ได้มีเพื่อนคนใดอยู่ในสมองเลยเพราะกำลังทำงาน ใจก็อยู่กับตัวหนังสือสัญญาที่ต้องใช้หัวคิดแต่ทำไมถึงเกิดมีเสียงมากระซิบชัดถ้อยชัดคาจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้เพราะจะเป็นบาปถ้าเขาเกิดเป็นอะไรไปฉันต้องวางมือจากงานแล้วก็จับโทรศัพท์หมุนไปหาคุณประจงใจก็บอกแล้วว่าไม่อยู่แต่ก็ไม่เชื่อก็ลองหมุนไปปรากฏว่าไม่อยู่จริงๆ รุ่งขึ้นอีกวันก็ไม่ได้บอกอีกเห็นท่าไม่ดีเลยไปขอร้องเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขามีคนรถให้คอยบอกคุณประจงให้โทรศัพท์มาหาฉันให้ได้และให้บอกไปว่าด่วนมากได้ผลคุณประจงโทรศัพท์มาหาฉันในวันที่4หลังจากได้ยินเสียงกระซิบที่หูฉันก็บอกเธอไปตามเสียงที่ได้ยินกระซิบ และกำชับเธอว่าอย่าละเลยคำบอกเล่าของฉันเป็นอันขาดถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องเสียใจที่ต้องกำชับเพราะปกติฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเกี่ยวกับอาการพิเศษที่ไดเห็นได้ยินได้ไปของตัวฉันเองเลยที่พูดในครั้งนี้คงเป็นเพราะเกรงว่าคุณประจงจะไม่เชื่อเมื่อฉันกำชับหนักเข้าเธอก็รับคำต่อมาเพียงวันที่7็ หลังจากฉันได้ยินเสียงกระซิบหรือ3มวันต่อมาจากได้บอกคุณประจงอยู่ๆสามีเธอซึ่งเป็นคนแข็งแรงรูปร่างใหญ่โตก็เกิดอาการมือเท้าเขียวหน้าเขียวหายใจไม่ออกคุณประจงซึ่งเชื่อฟังฉันไว้ก็ได้โทรศัพท์เรียกรถจากโรงพยาบาลมารับแทบไม่ทันหมอเอาเข้าออกซิเจนและได้อยู่ในห้องอซ เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่าครึ่งเดือนจึงกลับมาพักฟื้นที่บ้านหมอบอกว่าเป็นอาการของหัวใจวายอย่างเฉียบพลันถ้าเอาไปช้าหน่อยก็ต้องตายระหว่างที่สามีคุณประจงอยู่โรงพยาบาลฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้ข่าวคราวเลยจนสามีเธอกลับมาบ้านและเมื่อค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วเธอถึงได้โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังและขอบอกขอบใจฉันเสียมากมาย ตั้งแต่นั้นมาคุณประจงมีเรื่องติดขัดอะไรเธอจะต้องโทรศัพท์มาขอเสียงกระซิบจากฉันเป็นประจำซึ่งบางทีก็ตอบได้บางทีก็ไม่ตอบแต่ถ้าได้คำตอบเมื่อไหร่ก็แม่นทุกทีจนกระทั่งบัดนี้เธอก็เลยนับถือฉันเป็นอาจารย์ไปเสียแล้วแต่ฉันเองก็รู้สึกแปลกใจตัวเองว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าอยากจะบอกก็บอก แต่ถ้าฉันเกิดอยากรู้อะไรถามไปบางทีก็ไม่ตอบเสียเฉยเฉยก็มีคล้ายกับว่าถ้าพอใจจะบอกก็บอกถ้าไม่พอใจก็ไม่บอกอะไรทำนองนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเสียงกระซิบนี้ยังมีเล่าอีกมากมายแล้วจะลำดับเล่าเป็นเรื่องๆไปในโอกาสต่อไปตอนไม่ให้ไป ในบรรดาเพื่อนๆของฉันซึ่งมีอยู่หลายคนมีอยู่คนหนึ่งชื่อคุณบุญหลงคุณบุญหลงเป็นคนมีฐานะดีมากนอกจากมีบ้านอันใหญ่โตอยู่ในกรุงเทพแล้วยังมีที่พัทยาและที่เชียงใหม่อีกด้วยทุกปีในเดือนพฤศจิกายนคุณบุญหลงจะชวนเพื่อนๆขึ้นไปพักบ้านเธอที่เชียงใหม่เนื่องในวันทำบุญคล้ายวันเกิด พวกเราก็จะพากันตีตั๋วรถไฟที่เรียกว่านอนหนึ่งไปกันแม้ว่าขณะที่นอนอยู่ในรถไฟจะถูกรถไฟแล่นฟัดไปฟัดมาจนอาเจียนไม่รู้ตัวแต่เราก็สนุกกันตามภาษาคนแก่สำหรับบ้านที่พักก็สุขสบายอากาศดีมีรถยนต์คอยมาบริการพาเราไปช้อปปิง้งหรือท่องเที่ยวไปตามจังหวัดใกล้เคียงด้วยความสะดวกสบายมาก พวกเราก็กะกันว่าจะไปทุกปีถ้าไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคครั้นถึงกำหนดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน27นี้เองเราก็ต่างจองตั๋วรถไฟกันพร้อมสพท์โดยเตรียมตัวจะไปแน่นอนพรันก็เกิดอาการประหลาดขึ้นกับตัวฉันคืออยู่ดีๆเสียงกระซิบก็ห้ามไม่ให้ไปฉันก็ไม่ยอมเชื่อได้ไปที่ห้างเซ็นทรัลไปซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ มีล้อลากได้สะดวกแบบสมัยใหม่และยังซื้อกระเป๋าย่อมลงมาแถมมาอีกหนึ่งใบกะว่าจะเอาไว้ใส่พวกผ้านวมหมอนซึ่งเป็นนิสัยของฉันที่ไม่ชอบใช้ของคนอื่นตลอดเวลาที่เลือกจะซื้อกระเป๋านั้นที่หูก็พูดอยู่คำเดียวว่าอย่าไปอย่าซื้อเลยฉันก็ไม่เชื่อเสียงก็บอกว่าถึงซื้อก็ไม่ได้ไปฉันก็ซื้อและจ่ายเงินเรียบร้อย ขณะที่เข็นกระเป๋าจะลงบันไดเลื่อนที่หูก็บอกว่ากระเป๋าใบนี้นี่แหละที่จะเข็นเข้าโรงพยาบาลฉันก็รู้สึกแปลกใจว่าเอเราก็สบายดีนี่นาแล้วเรื่องอะไรถึงจะต้องถึงกับเข้าโรงพยาบาลการซื้อตั๋วรถไฟนี่ต้องจองล่วงหน้าและถ้าจะไม่ไปก็ต้องบอกเลิกล่วงหน้าสองวันมิฉะนั้นจะถูกปรับมาก ยิ่งไกลวันเดินทางจิตยิ่งเตือนเร่งอยู่ตลอดเวลาให้ไปคืนตัว๋วและบอกว่ายังไงยังไงก็ไปไม่ได้ฉันก็เถียงอยู่เรื่อยว่าฉันจะไปแน่นอนในสมองฉันตอนนั้นวุ่นวายไปหมดสับสนจนสมองจะแตกที่หูก็พร่ำบอกว่าไม่ให้ไปให้ไปคืนตัว๋วฉันก็เถียงว่าไม่ไปไม่ได้รับปากกับเพื่อน เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วจะไปบอกเลิกได้ยังไงเสียงก็ยืนยันว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปจนเหลือเวลาอีกสองวันจะถึงวันเดินทางเสียงที่บอกที่หูก็ดังก้องขึ้นทุกทีจนฉันทนไม่ไหวเลยต้องยอมแพ้และโทรศัพท์ไปบอกหลานชายคนที่ไปจัดการจองตั๋วรถไฟให้คืนตัว๋วก่อนจะไปบอกคืนตั๋วนี้สมองฉันแทบแตก เพราะเสียงถกเถียงแบ่งเป็นสองเสียงจนอื้ออึงไปหมดพอตัดสินใจคืนตั๋วเท่านั้นอาการดังกล่าวก็หายเป็นปลิดทิ้งตามที่นัดกันไว้ในตั้งแต่แรกนั้นเราจะออกเดินทางวันที่17พฤศจิกายนและจะอยู่9วันจึงจะกลับก็ตกไปปลายเดือนลาวันที่ 26-27 พฤศจิกายนแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับตัวฉันอย่างกระทันหัน คือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนบ่ายวันที่21อยู่อยู่ๆก็มีอาการแน่นอึดอัดและเวียนศรีรษะมากจนนั่งไม่อยู่ต้องนอนยกหัวให้สูงไว้ตลอดเวลากินยาลมสองพักสามพักก็ไม่หายอาหารก็ทานไม่ได้เลยได้แต่แน่นท่าเดียวให้เด็กบีบนวดสารพัดจะทำอาการก็เป็นหนักขึ้นตกถึงสามทุ่มกว่าตาลืมไม่ขึ้นเลยพล่าไปหมด หายใจหอบถี่ยิบเห็นท่าเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็เรียกลูกชายให้เอารถออกตกลงไปโรงพยาบาลขณะที่ออกจากห้องนอนลุกแทบไม่ขึ้นต้องให้ลูกชายและเด็กต้นห้องพยุงเดินตอนอยู่ในรถตามองไม่เห็นอะไรเลยนึกว่าคงจะไปไม่ถึงโรงพยาบาลแน่แต่ก็ยังไม่ถึงกับตายถึงโรงพยาบาลสมิติเวสเกือบสี่ทุ่ม สักครู่หมอก็มาตรวจอาการให้น้ําเกลือผสมยาฉีดยาตอนที่นอนบนเตียงในห้องพิเศษตาไม่ปิดเปิดอยู่ตลอดแต่หมอไม่เห็นอะไรนะักสมองพร่าไปหมดได้ยินหมอถามแต่ตอบไม่ไหวจนหมอตกใจจำได้ว่าหมอจะมาจับแขนยกขึ้นพอหมอปล่อยก็ตกพลอยลงมาอย่างคนหมดแรงหมอพยายามถามอาการก็ตอบไม่ได้อยู่ดี รุ่งขึ้นวันที่สามหมอส่งไปเช็คสมองที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่อโศกพบในฟิล์มว่ามีพยาธิชนิดหนึ่งขึ้นไปตายบนสมองหลายตัวตามธรรมชาติของเซลล์ในร่างกายจะผลิตหินปูนมาหุ้มพยาธินั้นหมดทุกตัวซึ่งทำให้มันขยายพันธุ์ไม่ได้และทำอันตรายอะไรไม่ได้แต่ฉันต้องกินยาคุมไว้คงจะต้องตลอดชีวิต มิฉะนั้นเวลาคลื่นสมองทำงานเมื่อเวลาเรากังวลหรือเครียดมากๆจะมีอาการคลายชักแขนขาจะกระตุกไปแถบหนึ่งฉันกระตุกเฉพาะแถบขวาเวลาเป็นน่ากลัวมากซึ่งฉันไม่เคยคิดเลยว่าโรคอย่างนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวของฉันเองการมารักษาตัวคราวนี้ต้องนอนอยู่โรงพยาบาล9วันจึงได้กลับบ้านโดยหมอจ่ายยาให้มาทานและห้ามกังวล ห้ามลูกหลานลบกวนและไม่ให้เครียดเป็นอันขาดเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจึงนึกออกว่าเหตุไรเสียงห้ามจึงก้องกังวันเป็นพิเศษที่ไม่ให้ฉันไปเชียงใหม่นี่ถ้าหากฉันไม่เชื่อขืนไปก็คงต้องไปตายที่เชียงใหม่แน่ๆเพราะหมอที่นั่นไม่ใช่หมอประจําตัวของฉันและคงจะคลํากันอยู่นานกว่าจะหาสาเหตุพบเพื่อนฝูงก็จะต้องพลอยโกลาหลกันยกใหญ่ แทนที่จะไปสนุกกลับจะทุกข์ถนัดกันไปหมดละนะและฉันก็จะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่ฉันหลับตาวาดภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วทำให้นึกขอบใจยานของตัวเองที่มาเตือนไว้หรือห้ามไว้ช น, นิดที่บอกไม่ถูกจริงจริงว่าตอนถูกห้ามนั้นดูเดือดแค่ไหนและในที่สุดเสียงที่บอกว่ากระเป๋าใบนี้จะถูกเข็นเข้าโรงพยาบาลมันก็กลายเป็นความจริง เพราะตอนฉันไปก็ไปแต่ตัวเตรียมอะไรไม่ทันเลยพอคนจากบ้านจัดของส่งมาตามหลังในวันลุ่งขึ้นจึงได้เห็นว่ามันคือกระเป๋าใบที่ซื้อจะเข็นไปเชียงใหม่นั่นเองแต่มันกลับถูกเข็นเข้าโรงพยาบาลแทนจริงๆด้วยการล้มเจ็บของฉันในครั้งนี้ถือว่าหนักมากทีเดียวเพราะกลับมาอยู่บ้านได้12วันก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีก เพราะเนื่องมาจากการแพ้ยากัรอาการชักยาที่ทานนี้ทานสามเวลาหลังอาหารทําให้อาการกระตุกไม่มีก็จริงอยู่แต่ฉันก็ได้แต่นอนอยู่บนเตียงจะลุกขึ้นไปตอนอาบน้ำเท่านั้นทานอาหารก็ต้องทานบนเตียงโดยใช้โต๊ะทาดมีขาตั้งตั้งแบบหนังฝรั่งที่ทานอาหารเช้าบนเตียงนอนหลังจากนี้ก็ได้แต่นอนเพราะยกหัวไม่ขึ้น ซึมตลอดทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นครึ่งคนไปเลยฉันนอนจนเอื่อมระอาเบื่อโลกไปเลยจนนึกอยากจะตายไปให้รู้แล้วรู้ลอดหลังจากนอนซึมอยู่สี่วันฉันนึกขัดใจขึ้นมาก็หยุดยากันชักไปเสียเฉยๆทานแต่ยาชนิดอื่นพอหยุดยากันชักอาการกระตุกก็กลับมาฉันก็ทนเอาโดยไม่ยอมทานยาและแกรกกระตุกวันเว้นวัน ต่อมาก็กระตุกทุกวันตกเย็นเป็นกระตุกต่อมากระตุกวันเดียวสามครั้งห่างกันไม่ถึงสองชั่วโมงกระตุกครั้งหนึ่งเพลียแทบขาดใจพอจะฟื้นก็กระตุกอีกฉันทนไม่ทานยาจนสั่นไปหมดทั้งตัวเดินก็ไม่ไหวอาหารก็ทานไม่ได้น้ำหนักลดหวบพอโทรศัพท์เล่าอาการให้หมอฟังหมอก็บอกให้ไปหา พหมอตรวจอาการเลยเก็บตัวไว้เลยบอกอาการไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นอมาาัมพาตไปต้องรีบจัดการเยียวยาก่อนจะสายเกินไปขณะที่ฉันนอนที่โรงพยาบาลวันแรกทีเดียวของครั้งที่สองที่เข้าโรงพยาบาลฉันก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยดวงจิตที่แน่วแน่ที่สุดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงปู่โตว่าขอให้ดลใจให้หมอให้ยาที่ถูกกับฉันทานแล้วไม่แพ้และขอให้หายภายในเดือนเมษายน ถ้าผลเดือนเมษายนแล้วยังไม่หายฉันจะฆ่าตัวตายด้วยแรงอนิสงส์ที่ได้สร้างสมขอให้เป็นไปตามอธิษฐานนี้ด้วยฉันลืมเล่าไปว่าฉันลม้มล้มลุกลุกเจ็บเจ็บให้หายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเมษายนเมื่อหมอเข้ามาตรวจอาการตอนเช้าฉันก็บอกว่าขอให้เปลี่ยนยากันชักให้ฉันเถิดฉันไม่ถูกกับยาชนิดที่ให้ตอนก่อนๆ น, นั้นเลย ทานแล้วก็ลุกไม่ขึ้นกลายเป็นนางนิทราอยู่ตลอดเวลาหมอก็ลองเปลี่ยนยาให้ใหม่ยานี้ทานแล้วไม่มีอาการซึมเป็นปกติจึงเริ่มทานอาหารได้ลุกเดินเหินได้เองโดยไม่ต้องมีคนคอยพยุงตกลงในที่สุดฉันก็เริ่มกลับมาเป็นคนปกติไม่มีอาการกระตุกและที่ประหลาดที่สุดฉันหายเป็นคนปกติเมื่อวันเสาร์ที่27เมษายน2527 ซึ่งเป็นวันตรงตามอธิษฐานเสียด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคงยังเมตตาฉันอยู่จึงโดนบันดาลให้เป็นไปตามคำอธิษฐานท่านคงจะรู้ถึงจิตใจของฉันจริงๆว่าถ้าไม่หายฉันจะจัดการกับตัวเองอย่างไรเพื่อพ้นจากโลกนี้ไปผลของบุญบา ร, รมีที่ฉันได้สะสมมาแทบตลอดชีวิตส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอมรับฟังคาอธิษฐานของฉันและดนบันดาลจิตให้หมอผู้รักษาเลือกยาที่ถูก มาให้ชั้นกินจนชั้นหายภายในกำหนด